ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายละการเสียงธรรมจากมหาลัยศีริปุุมได้นำเสนอพระสูตรในอุทานสืบต่อกันมาโดยลำดับก็เป็นช่วงที่ ร, รบถึงการปรงประชนมยุสังขารของพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นเหตุให้มีปรากฏการณ์พิเศษหรือแผ่นดินไหวพระนรนเกิดข้องใจสงสัยก็เข้ามากราบทูลธระก็ได้ทราบว่าปรงุปรงกรงมระชนมยังสังขารแล้วรู้สึกตกใจจึงกราบทูลรัตนาให้พระพุทธเจ้าดำรงประชนอยู่ ลดกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับพระเจ้าก็ส่งให้เหตุผลว่าในความเป็นจริงแล้วพระองค์ก็ได้ทำนิมิตโภภาษ์อยู่ให้นยะทั้งหมดมี16ครั้งด้วยกันทั้งที่เมืองไผ่าลีแล้วก็ที่กรุงราชสุดแต่พระนนก็ ไม่ได้กราบทูลนรัตนาถ้าว่าประนรกราบทูลนรัตนาพระองค์ก็จะห้ามเจิดสองครั้งแต่ว่าครั้งที่สามนี่จะยอมรับแล้วก็ยังที่บอกไว้นะฮะว่า สมมติเราพะเจ้าจ ะ, จะดำรงประชนอยู่ต่อจากนั้นด้วยการเจริญอิทธิบาทภาวนาสืบเนื่องกันมาก็กจะดำรงประชนอยู่ได้อีกก็อีกเท่าไหร่ล่ะแปดสิบ ถ, ถึงยี่สิบปีนะฮะเพราะอายุขในสมัยนั้นจริงๆก็คือร้อยปี ยกเว้นบุคคลพิเศษเช่นพระปคูละหรือพระอันลนพระหมากรสปะเป็นต้นเนี่ยพระปักุละนั้นอยู่ได้ร้อยหกสิบพระอันนพระหมากรสปะก็ะอีกหลายท่านนะฮะคงร้อยี่สิบอีกหลายท่านโดยสรุปว่ายังไงยังไงอายุไขก็ต้องถึงก็ต้องสิง้น ปัญหาความสำคัญของพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ที่ธรรมะที่โปรงทรงประกาศแสดงเอาไว้มันก็มีความสมบูรณ์แล้วทำในญที่มานได้มากราบทูนทุบทวนว่าพุทธเะ ท, ทั้งสี่ประเภทเนี่ยก็หนักแน่นมั่นคงแล้วคือควายภิกษุ ภิกษุณีก็มีจำนวนมากนะครับแล้วเป็นระดับเอตตะคะทั้งหมดเนี่ยก็ถึงแปดสิบเเรียกว่าอาสีติมหาสาวกเนี่ยมีทั้งหมดก็แปดสิบแล้วก็วงที่มีความสำคัญในการทำงานพระศาสนาด้านต่างๆก็มีอยู่จำนวนมาก เราสามารถแก้ไขป ร, ปรัปวาวต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนว่าแม้รู้เจ้าไปนี้ผ่านแล้วเนี่ยพอีกเจ็ดวันแล้นั่นเองฮะนี้ผ่านไม่ได้เจ็ดวันก็เกิดป ร, ปรัปวาวโดยท่านสุภัททะวุฒะปปจิตแล้วแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายห้าร้อยลูกก็ประทุมไปชุมกันทาสังฆายนาก็แก้ป ร, ปรัปาวเหล่านั้น แน่นอนเ อ, อกาก็จริงปัญหาในคณะสงฆ์ที่โบราณท่านพูดเรื่องพิ ธ, ธิพระมาณเจา้าพูดง่ายนะฮะแต่ทำยากเพราะว่าองค์กรบริหารคณะสงฆ์มันเป็นเรื่องจิตสำนึกมากกว่าที่จะใช้ตัวบทกฎหมายอย่างชาวบ้านเขา <c oughs> อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพระธรรมินไว้อยู่ในฐานะเป็นศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลายคือการปฏิบัติตามพระวินัยเป็นกิตสำนึกถึงสถานภาพของพิกษุของภิกษุมีสมัมมาเนรสมัมเดรินงังสิขมานาชาวบ้านเองการยรษาศีลห้าให้ได้หรือไม่ได้ มันก็อยู่ในจิตสำนึกคือไม่มีใครไปบังคับควบคุมกะเจนแล้วก็ลงโทษเป็นมาตรการแบบทางบ้านเมืองการบัตธรรมเป็นเรื่องของพลังศรัทธาปัญญาที่ท่านมีความเชื่อและท่านมองเห็นคุณค่าของธรรมะอย่างนี้แล้วท่านก็นำไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าไมอย่างนั้นมันก็เกิดผลเอะแยะงั้นความแตกแยกในศาสนาร่องรอยมันก็มีเข้ามาตั้งแต่ก่อนโระอุทธเจานิพพานแล้วนิพพานใหม่ๆหลังจากปัตถุสังกายนาที่จริงก็มีการแตกแยกคือพวกที่ไม่ร่วมสังกายนาก็เป็นพระ อุตุชนชนใหญ่คือพระอริยบุคคลเนี่ยท่านไม่ทะเลาะกับใครหรอกคือถ้าเข้าถึงกระแสของมรสโสดาบันไดเนี่ยอย่าลืมว่าการทะเลาะวิวาทมันมาจากสกฤทิจิตมีนเป็นเรื่องใหญ่ ถ, ถ้าเราลดอัตราตัวตนเราให้เล็กลงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นอย่าต้องไปทะเลาะอะไรกไับใครว่า แม้เราไม่ทะเลาะนีนเราก็ประสบกับสัตรูรอบด้านประสบกับภัยธรรมชาติภั ย, ภยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความพัดพระกระภัยคือความสูญเสียในด้านต่างๆคือสารพัดภัยอ่ะคือไม่รู้จะไปทะเลาะวิวาทกันเพื่ออะไร ประภอันตรายเหล่านี้ที่จริงก็สู้กันไม่หวัดไม่ไหวแนะม้จะมีความรู้เรื่องกันขนาดนี้แต่ก็จริงเราก็ยังทะเลาะวิวาดกันเรจะตายไม่ตายแหลกไปยังทะเลาะกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะเราอยู่ในประเภทที่เรียกว่าได้แช่ได้พลอยถึอว่านอนได้แก้วนี้เยอะ เราไม่เข้าถึงสาระาเนื้อหาจริงๆของพระธรรมกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือพอเราไปศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมาเป็นอาจารย์บรรยายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนก็เล่นใหญ่ น, น วันนี้ก็ยังมีการถิ่มเผยแพร่กันอยู่โดลวงพิ ม, มพ์หม่องคุตราธยาไล่คือเราอ่านแล้วรู้สึกสลดอ่ะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการมีโอกาสฟังธรรมก็เป็นของยากการมีชีวิตต่อเนื่องนี่ยก็เป็นของยากแล้วเราก็ได้ครบอนะ่ะหนึ่งสี่อย่าง แต่เราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมจากการมีชีวิตยังยืดมาการที่พระเจ้าวัดม เ, เกิดขึ้นในโลกจากการศึกษาจากการปฏิธรรมตามสมควรคือได้มันก็มันเคยคุ้มจะ ไ, ได้น้อยเกินไปมันควรจะได้มากกว่านั้นเราก็รุนรังเสียเวลายเยอะ ที่นีในกรณีเหล่านี้กรณีที่มีประประว่าเกิดขึ้นมันก็มีอยู่ตลอดบนเส้นทางพระพุทธศาสนาที่เราชื่นใจก็คือว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านก็ผ่านวิกฤตการณ์เหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาจากภายในบ้างจากภายนอกบ้างส่วนใหญ่ถ้าหากว่านักนาศารสการ์ ทางบ้านเมืองจะเข้าไปรับผิดชอบเพราะพระเองเราไม่สามารถจะไปสู้รบปลบมืออะไรกับใครได้หรือวินัยของพระเนี่ยมันไม่เอื้อให้ไปไปทำอะไรใครอะรัวเกณฑ์มาตรฐานของศีลสีข้อแร ก, กหักหนาสหัสลกันในการรักษาปฏิบัติ เพราะถ้าเราไปละเมิดสิทธิในชีวิตอะไรใครสักหน่อยหนึ่งก็เสียเรื่องราดแล้วเหมือนภารกิจเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของชาวบ้านทั่วใหญ่บริการที่ข้อความตัวเนี้ยปรากฏในพระสูตรทั้งสองสูตรตวันนี้จะมาเชื่อมกับมหาปริณภาณสูตรสักตอนนะครับเพราะว่ามหาปรินภาณสูตรเป็นพระสูตรที่มีลักษณะแปลก มันคล้ายๆกับจดหมายเหตุเป็นการเล่าการเดินทางของพระพุทธเจ้าจากกรุงรัชครือแล้วเข้าไปไผ่สาลีแล้วก็กลับไปสาวัตถีแล้วก็เข้ากรุงรัชครือแล้วก็ไปที่ไผ่สาลีต่อไปเชื่อมโยงกับการนิพพานของพระสารีบุตรกับพระมกคลานะซึ่งห่างกันคนละสิบหาวัน สารีบุตรนิพพานเพ็นเดือนสิบสองพระโมกขลา น, นิพพานสิ้นเดือนสิบสองและคนละที่กันนั้นนี่คือคือหลักฐานทางบอะติศาสตร์ที่บ่งบอกให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าแม้จะส่งไป่วนในพรรษาเอาพรรษาแล้วก็ยังเสด็จพุทธดำเนินไปที่สาวัตถี จาสาวัตถีก็มาที่กรุงรชัชชคือจากกรุงรชัชชคือก็ไปที่ภัยสาีแล้วก็ปรปลงประชนมายุสังขารที่ปาวาลเจดีเมืองภัยสารีตอนนั้นพระองประทับอยู่ที่กุฏิทหารฉลานะฮะในป่ามาวันก็เสวยาหารแล้วก็ในพระนุ่นถืออันสนะไปที่ปาวาลเจดี แล้วก็ทรงทมนิมิตโอภาส์ก็ทรงรู้ว่าพันธะปูกพันระหว่างพระองค์กับทายมานเนี่ยกำลังจะมาถึงแต่เมื่อพระ น, นุน ไ, ไม่กราบทูลโดยท่านแก้เหตุผลให้ว่ามานดนใจท่านคือตอนประถมสังกายนาตอนเสร็จประถมศังกยนาน เราเนึกดูว่าสังคายนาก็เริ่มจะก้องเข้าพรรษาก็ทํานเจ็ดเดือนนะฮท่านเจ็ดเดือนก็หมายความว่าจากเดือนแปดไปน้นแหละคือไปขึ้นอีกปีหนึ่งเนี่ยจบสังคายนาแล้วก็มติของพระสังกิติกาจาร์เนี่ยตําหนิพระนน ในห้าเรื่องห้าเรื่องเหล่านั้นนะมีเรื่องหนึ่งว่าพระนรนท์ไม่กราบทูลในรัตนาให้พระพุทธเจ้าดำรงพระสุนอยู่ตลอดกาบด้่ยเกินกว่ากาบพระนนท์ท่านบอกว่าท่านถูกมารดลใจตอนนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันนะแต่ในพระบาลีเองก็บอกว่ามารดลใจท่านคือมารจะดลใจได้สำหรับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ แต่ว่าจะไปโดนใจระดับพระอาหารหันต์นี่ไม่ได้และการถูกมาโดนใจเนี่ยมันก็เหตุเกิดที่เมืองเวรัญชามาดนใจชาวบ้านหมดเลยตลอดทั้งเวรัญชาพรามเองที่นิบนตรพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ห้าร้อยรูปไปอยู่จำมรนาที่เมืองเวรัญชาไม่มีคนทำนบุญตักบาทแล้วเกิดทุกพิกระไพด้วย วันนี้มีพ่อ้ามาซึ่งมาทีหลังเนี่ยมาดนใจแล้วกลับไปแล้ววันนี้ก็เลยก็ถวายข้าวแดงที่เลี้ยงม้านะฮะให้พระพุทธเจ้ากรัประสมก็เป็นการถวายข้าวข้าวสดๆอ่ะข้าวที่ยังไม่ได้ตำเลยตำไปก็ mm hmm. เป็นอาหารมาแล้วก็เกิดพุทธานุญาตพิเศษให้ภิกษุสามารถปรุงอาหารได้ สามารถตามข้าวได้ดเพื่อประทังชีวิตให้ผ่านวิกฤตการตรงนี้ให้ได้เพราะว่าวินัยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปรนรณติวัชชะมันมีโทษในฐานะที่เราเป็นภุกษสุนันนั่นเองมันคล้ายๆกับญาติโยมที่ไปสมาทานศีลแปดศีลวัสดแล้วไปกินข้าวเย็นเนี่ยมันเป็นปณติวัชชะคือมีโทษตามบทบัญญัติของวินยัยแต่ไม่ใช่โลกวัชชะคือไม่ใช่โทษสากลไม่ใช่โทษทโลก วันนี้แง่ความจริงเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นอบัตแต่ว่าแสดงแล้วก็ตกไปจนผิดกับพวกข้ัตริย์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกางพุทธเทศเนี่ยแสดงอบัตก็แสดงไปเถอะแต่ว่าที่จริงบาปมันไม่หายหรอกรบาปมันไม่หายแต่ในฐานะที่เป็นกติกาของหมู่คณะเนี่ยก็ถือว่าจบสิ้นกันบาปก็เป็นเรื่องที่คนต่อนั้นจะต้องรับกันไป เพราะว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำถ้าเราไม่ต้องการผลก็เราเว้นเหตุก็ผลก็ไม่เกิดแต่เราต้องการผลบางอย่างเราก็สร้างเหตุผลก็เกิดเ๋วเกิดผลไม่แล้วเนะี่ยเราไปเสษไม่ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งกรรมชั่วและกรรมดีเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปตามมันตามกฎของกรรมและจากนั้นเมื่อ พระนนมากราบทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งทีเจ้าประสงปฏิเสธไปนะจากนั้นก็ได้ย้ำเตือนให้พระนรนได้ันานะที่นำท่านผู้ฟังมาดูที่มหาพิญภา น, นสูตรซึ่งเป็นข้อความเชื่อมโยง แล้วก็สืบเนื่องมาจากประรบเหตุการณ์กิติดตามเหตุการณ์ที่ภาคใต้คือเขาเรียกว่าอุบัติภัยนะมันหลายภัยอ่มันทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งอากาศมันหลายเรื่องคือการพระราษูญเสียการบาดเจ็บล้นีรนยะ คือตาม่เห็นว่าชีวิตเรามันเป็นเสี้ยววินาทีชัดๆเลยนะภาพที่ปรากฏที่เราเห็นว่าคนกำลังสนุกคนที่เดินไปดูขึ้นในทะเลอยู่แล้วกค่อนข้างสนุกนะฮะค่อนข้างเช่นเป็นลักษณะเหล่าเนี้ยที่จริงมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปลายพุทธสมัย พระเจ้ญญาส่งประรบถึงพวกเนี่ยพวกพระเจ้ญญาวิทูธภาะเนี่ยยกกองทัพไปทำลายล้างราชวงศ์สักยะก็สิ้ไปชนไปเยอะแต่ไม่ใช่หมดหรอกแล้วก็มาถึงก็มานอนหลับอยู่ริมชายหาดถูกกลางคืนในน้ำหลากตายโดยไม่รู้ตัวนะตายทั้งทั้งที่หลับ ลักษณะเหล่นานี้ก็สรุปเป็นประมาทนะครับในเรื่องของคนประมาทถ้าให้เราเห็นความจําเป็นเรื่องความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้ น, นเราไปเห็นเรื่องสติมากยิงขึ้ น, นแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยพอเกิดปั๊มาดโอกาสจะดับเนี่ยมันมีได้ทุกขณะตัวนี้จึงกลายเป็นบทเรียนที่ ก็เจ็บปวดนะฮะพอสูญเสียเจ็บปวดแต่ว่ามันก็กลายเป็นบทเรียนที่จะต้องสนักจะต้องเน้นจะต้องให้การศึกษาจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่กันขึ้นมานะฮะว่ากันตามความจริงคนเราเชื่อกันยากนะไม่ใช่ว่าพูดอะไรแล้วเชื่อ น, นอกจากว่าเหตุการณ์มันเกิดแล้วเนี่ยฮะตอนนี้หลอกอะไรก็เชื่อแต่ถ้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดแล้วก็แม้พูดยังไงก็เฉยเลย ือต้องย้าเตือนกันอีกเยอะก็ก็กดีนะฮะก็ได้เป็นบทเรียนเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแล้วข้อความตรงนี้พระพุทธเจ้าได้มาย้าเตือนให้พรานนท์ได้มองถึงสถานะของพระองค์ก็เรียกว่าสังขารทั้งหลายเนะี่ยสังขารทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาวันสมบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มันก็ต้องต้องมองตรงนี้เป็นความจริงที่เราไปเสร็จไม่ได้เราลอดมาวันนี้เราก็ไปวันหน้าผู้ ท, ที่ไปวันนี้ก็ไปเกิดแล้วก็ต า, ตายในวันหน้าอีกเนมันก็วัตจักรมันเป็นอย่างนี้รับสั่งว่าเราได้บอกก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆการความพลัดพลาดความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลที่รักในสอบใจทั้งหมดนั้นแลมีอยู่การพลาดพลาดสูญเสียในมันเป็นการเกิดอยู่ทุกขณะในแง่ของความจริงโดยทุกขณะจิตนะให้เราสังเกตว่าเราสูญเสียอยู่ทุกขณะจิตเราแก่อยู่ทุกขณะจิตเราเจ็บอยู่ทุกขณะจิตเราตายอยู่ทุกขณะจิตร่างกายเราเป็นการเลื่อนไหลที่ต่อเนื่องกันไป บับเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนกับชีวิตของคนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่พระค่าจัดเขาก็เป็นบทเรียนให้เราไดต้ตระหนักได้สังเกได้ระลึกถึงเดยใช้ชีวิตเดีนึกถึงนึกถึงสตินึกถึงความไม่ประมาทได้ดีขึ้นคืออย่าไปข้องใจสงสัยอะไรที่มัน บางอย่างนี้ยเป็นความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ซึ่งก็ดีนะฮะแต่ว่าเรื่องบนเรื่องเนี่ยมันจะไมเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่แม้ชาวริมทะเลเองเนี่ยก็ไม่เคยสัมผัสกับในลักษณะนี้เรื่องการพลาดพลาดสูญเสียนีย้เกิดขึ้นได้ในทุกกรณีวันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหก เกิดเหตุการณ์ขึ้นสึนามิขึ้นมานยังมีห่วงวันที่31วันที่1ึ่งปีที่แล้วตายตั้ง600กว่ารัฐบาลก็พยายามกัทุกวิธีนะแล้วก็จริงมีคนเราพูดยากนะฮะคนในสัตว์โลกกระดุ ก, กระดิกได้ในะพูดยาก ไปอย่างที่เคยเล่าอ่ะท่านเบสกามันบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมันยาก่ะเข้าใจยากแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเข้าใจง่ายอย่าบอกสัตว์เดรัจฉานมันตื้นมนุษย์เนี่ยมันยากต่อการทําความเข้าใจบางครั้งบางคราวเราไม่รู้จักตัวเราเองนี่ใช่ไห ไม่เข้าใจตัวเองมันทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องคิดอย่างนั้นทำไมต้องพูดอย่างนั้นพูดไปแล้วสุดเสียใจทำอะไรก็ไม่ได้อนี้คือเป็นเรื่องคติธรรมดาว่าสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วรุงแต่งแล้วมีความทาลายนี่เป็นธรรมดาชีวิตเราเหมือนกันแสงเทียนที่จิดขึ้น เราเข้าจริงเนี่ยเทียนดับถ้าเราสังเกตเนี่ยเทียนมันดับได้ทั้งจีเกลนีไปกันคือไส้หมดไขหมดก็ดับถ้ายังอยู่ไขหมดก็ดับไข่ยังอยู่ไายหมดก็ดับยังอยู่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ดับได้อย่างพี่น้องทั้งหลายที่ต้องตายไปโอ้มันเนสียหนังเล่นยากทําใจยากเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดา ิใใจไปก็เท่านั้นแต่ว่าต้องเอาเขาเป็นบทเรียนถ้าเราไม่สนักไม่ทำเหนียกไม่ใช้เป็นบทเรียนการาพระภากษุจะไปวังคนเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าคือแทนที่จะเป็นครูให้คนรุ่นหลังเนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยก็เป็นครูให้จริงๆเราไปงานศพเราก็ไปไปไปสำนักครูนะ เดือถ้าเราเข้าเข้าต่ว่าเราไปสํ t นักครูเราเรียนรู้จากครูครูสอนให้เราดูครูแก่เราดูครูเกิดให้เราดูครูตายเราดูตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าตายตายแน่มันรับสั่งว่ามีการทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยนั่นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้ ว่สิ่งใดที่ตถาคตสะ ล, ล, ล, ล, ละแล้วคายแล้วพ้นแล้วละแล้ววางแล้วอายุสังขารตถาค ต, ตรงแล้วรงตั้งพระไทยเด็ดเดี่ยวว่าจะปณิพานอีกสามเดือนเนี่ยวันวันปรนิพานธ์เนี่ยที่จริงเป็นวันสำคัญแล้วเราก็ไม่เคยคิดถึงนะฮะวัน วันปฏิพานของพระพุทธเจ้านี่ยที่จริงวันมาค บ, บูชาเนี่ยมันมีการสองเหตุการณ์แต่เรามักพูดเฉพาะจะรวงอสนิบาตเราลืมพูดถึงวันที่พระพุทธเจ้าปฏิพาในนะคล้ายๆกับเราลืมพูดถึงวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ได้ติดต่อคุยกับคุณอมรอพิธนคุณ นายกสมาคมอะไรห้าสิบกว่าตระกูลแท่เชื้อสายจีนเนี่ยต น, น, นตดกาพบกันว่าคืออยากให้สมาคมนี้เขาช่วยรณรงค์แบบเลยหล่ะห้าธันวามาราช 16, สิบกสิงหามาราชินีเนชิญชวนชักชวนประชาส น, น, น, นปฏิบัติธรรมก็รณรงค์ไม่ใช่เป็นกิจกรรมแสวงหาผลประโยชน์อะไรหรอก แต่ว่าก็าต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างเป็นธรรมดานะแต่หมายความว่าถ้าแบ่งภารกิจกันรับผิดชอบในฝ่ายแต่ละฝ่ายแต่ละด้านแต่ก็มีการเผยแผ่ธรรมะในวันถวายรพระเพลิงพระบรรของพระพุทธเจ้าก็ธธานะตกลงว่าเราก็จะมีวันอาสาหะก็ต้องมารับผิดชอบนะ วิสาขะศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาให้ประเทศไทยรับผิดชอบถาาบูชาก็สมาคมองค์กรพูดรับผิดชอบแต่ถ้าไปรับผิดชอบตรงนี้ได้จะแขงก็ดีจุดที่เน้นเนี่ยคือว่ามาศึกษาธ ร, รมปฏิบัติธรรมมาครองชีวิตกันอยู่ในความใ น, น่มาณเพราะว่าสิ่งตรเนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคือสละหรือไม่สละเราต้องสละ รอยชีวิตมันพร้อมที่จะแตกละเมื่อไรก็เมื่อนั้นเนี่ยเมื่อไรก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปติดใจอะไรและไม่ต้องเป็นห่วงมิตกกังวลอะไรไม่มีใครที่เสร็จภารกิจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเป็นไว้แต่พรารอรหันต์ร่างตอนนั้นเองที่เสร็จภารกิจส่วนท่านแต่ภารกิจส่วนโลกก็ยังไม่เสร็จนะ ก็อย่างเนี้ยอย่างพระอนุนกับภูรณรัตนายผู้เจ้าทรงดำรงพระชนอยู่เนี่ยเพราะท่านก็คิดว่าถ้าผู้เจ้าอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อโลกอีกมากแต่ว่าในแง่ของความจริงเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยพระธรรมวินัยก็อยู่แล้วแต่ถ้าเราสนใจศึกษาสนใจประพฤติปฏิบัติสนใจให้ได้สัมผัสผลเห็นปัญญาคุณในจิตเราเห็นบริสุทธิ์ ในจิตเราเห็นความเมตตาคุณาภปในจิตเราก็ชอว่าได้สัมผัสพระพุทธคุณแล้วมากน้อยไม่รู้ทำได้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีแล้วก็รับสั่งว่าวาจาทิฏฐาคตกล่าวไว้แล้วโดยส่วนเดียวไม่ใช่ไม่ช้าติฐาคตจกัจกไปในผาดอย่างนี้ล่วงไปสามเดือนทิฐาคตจับไปิพผาน เราก็จะคืนสิ่งนั้นเพราะเหตุชีวิตอีกไม่ใช่เป็นฐานะคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไ ม, ไม่กลับไปกลับมานะฮะพระเจ้าเป็นตาทินโนคือคงชี้รับสั่งอย่างไรทําอย่างนั้นรับสั่งอย่างไรนะพูดอย่างนั้นคือมาจากพระไถ่ที่บริสุทธิ์ลงไปตรงมานะชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เ, เ, เป็นสัจจะอยู่ทุกเรื่องเนีไย จะยุทิกรณีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจากนั้นก็ทรงตัดประเด็นนะฮะตัดประเด็นมาเถอิดอานนท์เราจะเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่าหมาวั น, น, นถ้าอานนท์ทูลรับพระดํารัสของพระผูเมีพภาคเจา้าลําดับนั้นพระผู้มียภาคเจา้าพร้อมกับท่านพระอานนท์ก็ไปยังกูตาคารสาลาป่าหมาวันข้าแล้วตัดกับท่านอานนท์ว่าไปเถิดอานนท์เธอจงให้พวกภิกษุที่อาศัยอยู่ ที่เมืองเวสาลีเนี่ยทั้งหมดมาประชุมกันที่อุปสถานศาลาเราเือดูนะครับพระอยู่ที่เมืองเวสสลีเมืองเวสาลีไม่ใช่เล็กๆแต่ว่ามาประชุมกันที่อุปสถานศาลาก็แสดงว่าอาคารใหญ่บรรดาสำคัญว่าพระนุนท่านจัดการอย่างไงท่านติดต่ออย่างไง น, นี่เราจะเห็นเตลักษณะอย่างหนึ่งว่ามันมีอาการของโทรจิตที่ติดต่อกันจิต เทียบคนสมัยนี้ก็โทรศัพท์หากันแต่ว่าพระหันทั้งหลายเนี่ยพอท่านรับรู้ทางกะส่งส่งส่งกระแส จ, จิตนะบอกกล่าวกันได้ท่านพระนนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพภาคแล้วจึงให้ภิกษุที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดไปชุมกันแล้วที่วัดฐานศาลา เข้าเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าวถวายบังคมยืนนะั้นยืนนาะที่สมควรส่วนขั้งหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรบัดนี้เถิดรานี้เป็นการแสดงว่าผู้เจ้าคงประทับในพระอิริยาบถ ท, ที่ยืนอยู่พระนนท์จึงได้ยืนหากว่าผู้เจ้าประทับนั่งเนี่ยต้องถวายบังคม นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งบางทีในญาติโยมไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เจนว่าพระไปเจอพระผู้ใหญ่ในบ้านนอกจากวัดก็แล้วกันนะฮะนอกจากวัดตรหลักของมินัยเนี่ยเขาห้มามไม่ให้ทำสามีกิจกรรมนายยกมือไหว้ไม้แสดงความเคารพ้ยินเสด ย, ยินลุกจงเสดไปแสดงความเคารพแล้วก็ผิดนะครับประประป แต่บางทีญาติโยมไม่เข้าใจธรรมเนียมหล่อนี้ยพระเนี่ยบางทีเห็นพระผู้ใหญ่เห็นไม่เห็นคุยอะไรกันเห็นไม่เนองคนี้ไหวองค์นี้อะไรกันไหวไม่ได้นะครับทไหนก็ห้ามเทีนี้จากนั้นก็มาสรุปพระธรรมเทศนาไว้ที่อภิญญาเทศิรธรรมคือถ้าท่านผู้ฟังได้อ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะตอนหม า, หาเป็นผ่านสูตรสะ มันมีลักษณะเปจดมหมายเหตุอย่างที่บอกนพระสูตรซ้อนพระสูตรี่มหาศารมากๆเลยอยู่ในมหาปฏิภาณนสูตรในขณะเดียวกันเนี่ยธรรมะจะมาสรุปประเด็นอยู่ที่เขาเรียกสารธรรมห้าวิศีนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาณทัทสนะมนสรุปอยู่ที่นี้แล้วก็พวกเหล่านี้ที่จริงก็มาจากอภิญญาเทศิทธธรรมตามปกติเราไม่เคยคุ้นนะ จริงๆก็อยู่ในหนังสือหนุกกวา่าหนังสือที่พระนวกะบวชใหม่มันสรุปไว้ในตอน่อนปลายเป็นพระธรร ม, มเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อความรู้อันยิ่งก็คือการบรรลุมรรคผลมิพานที่จริงก็เป็นปริยายของใจสิกข า, รรากเระยรมรรคดวงแปดประการแต่ทรงจำแนกแสดงโดยปริยายต่างๆแต่วเวลาภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะ ผสมกลมกลืนกันเองนะคือจะเข้าไปหาไสยศิขาเองรับตัวเองเพราะตรงนั้นองค์ธรรมจริงๆก็คือไสยสิขาก็รับสั่งแสดงว่าลูกกรพิษุททั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอเรียนแล้วพึงซ่องเสพพึงเจริญพึงกระทำให้มากมดิวยดี โดยที่พรหมจรรย์ น, นี้พึงยั่งยืนพึงดํารงอยู่ได้นานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประโยคเหล่านี้อาจารย์ฝั ง, องลองสังเกตว่าเป็นประโยคที่ซ้ำๆเป็นหลักการระดับอุดมการนะฮะเป็นหลักการที่เป็นอุดมการหมายความเป็นเส้นทางสายเนี่ยตอเดินมาทางนี้ข้อความตอนช่วงแรก จะอยู่ในธรรมจักรวัตนาสูตรอ่ะตอนต้นเลยนะฮะตอนต้นก็ธรรมจักรวัตนาสูตรช่วงที่ต่อมาเนี่ยอยู่ในตอนที่ส่งพระอาหารหันต์หกสิบรูปไปเผยแผ่พระศาสนาเนอสาราก็อยู่ที่นี้แล้วก็ในการต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็อยู่แนวเนี้ย แ, แม้แต่ถวายสังฆทานทีหนึ่งก็อำหากังทีกรัต่างหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้คือธรรมะมันเชิงผลจะต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นถ้าผลไม่ออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่คือคือคำว่าเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นมันเป็นวัตถุประสงค์คือธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยเาเป็นประโยชน์ ประโยชน์ทั้งหมดแต่ ว, ว่าประโยชน์อยู่ที่ไหนล่ ะ, ะทุกษัตริย์ประโยชน์จะเกิดขึ้นจากการกําหนด ร, รู้ความจริงนเะช่นการพลาดพลาดสูญเสียทั้งหลายเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงในชีวิตอ่ะมันก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาลงให้ตกในสังขารทั้งหลายนะถึงคราวยึดเราก็ยึดถึงคราววางก็วางหรือถ้าตายไปแล้วยังไปรอ้องไห้เสียใจอยู่นี่มันก็ไปเพิ่มทุกข์กับตัวเองนั่นแก้ปัญหาไม่ได้ เราจะต้องหาประโยชน์จากความตายหาประโยชน์จากความตายให้ได้มาเป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตอย่าประมาทอย่าเผลอเลยอย่าหลงลืมอย่าพลั่งพลาดจะเลื่อนเลือนนะมีสติเพราว่าแม้แต่นคนเราคงพูดยากนะฮะโดยตอนที่ช่วงติดตามข่าวอย่างนี้ยังมีคนสร้างข่าวตื่นเต้นมีขึ้นมาสูงเท่าไหร่ะ สามสิบเมตรแต่ว่าดูดิมันพูดคนคนพวกป่วนสังคมอย่างนี้มันมีอยู่เยอะไม่รู้บาบุญคุณโทษอะไรคนก็ตื่นวัน ก, นก่อนก็ได้ข่าวเนี่ยได้ดูดูข่าวก็เปิดไซเรนเปิดไซเรนสัญญาณม่าคลื่นมามีกัน ท, ท, ท, ท, ท่านท่านในกรมวุินินยมก็ยืนยันแลวยืนยันอีกว่าไม่เกิดแล้วมันเกิดไปหมดเบ็ดเสร็จแล้วในกระบวนการของเขาเนี่ย แต่ว่าคนกบบังขวัญเสียเนี่ยไปทำมันเกิดขวัญเสียมากยิ่งขึ้ น, นแล้วตัวเองก็สนุกผูกนะนี้จะต้องชดใช้บาปกรรมที่ตัวเองก็ททำแต่เขาไม่รู้หรอกเมื่อบาปกรรมยังไม่ให้ผลเขาก็สนุกแต่พอบาปกรรมให้ผลแล้วก็เถอยโยงไม่ถูกอีกอ่ะวันนี้มันมาจากอะไร เนั้นตรงนี้ถ้าเราใช้เป็นบทเรียนมันจะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสนุกเป็ความทุกคุมบุคคลอื่นที่ว่าขบกบยตักเตืงผลประโยชน์ผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเนี่ยผู้เป็นบาปกำแรงเขาอยากกินเรียกกินของร้อนนะแบบกำแรงในะเรื่องเรื่องนี้อย่างเนี่ยไรอะไรไปบอกเขาว่าไปบริจาคช่วยที่หกจังหวัดภาคใต้เนี่ยต้องเอาไปช่วยนะไปเก็บไว้เป็นส่วนตัวแม้ชิ้นเดียวก็ไม่ดี ไม่ได้อ่ะอันตรายเป็นบาปกรรมคิดเจตนาเป็นหลายชั้นนะฮะหลายชั้นทั้งอธินาทานทั้งอุสาวาัตหลายเรื่องแล้วก็จากนั้นก็ส่งแสดงพวติปัะเคียธรรมมสิบเจ็ดประการนะเป็นธรรมะที่เราคุ้นหมด พุทิปัจจัยธรรมสามเจ็ดประการเนี่ยคือสติประธานสีสมมตประธานสี่อธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดมักมีอ 8, นะุปแปดเราก็เจอมาบ่อยธ ร, รมะรลุ่จะเจอบ่อยแล้วถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะลองสังเกตว่าเอาธรรมะชื่ออื่นก็ได้ไม่ต้องเอาชื่อเนี่ยเอาชื่อเช่นเอาสติสมัญชัญญาเอาขันติสวรจจะเอาหิริอรุตรปะซึ่งไม่มีชื่ออย่างเนี้ยบูจะโดยสภาวะจิตเนี่ย เวลาเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันจะมีสภาวะตรงกับพวกเหล่านี้ด้วยแล้วก็ตรงกับภาวะตรงกับธรรมะเหล่านี้พวกกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยฮะแล้วพอเจอฝ่ายอกุศลโดยจะเจอมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลธรรมเหล่านี้ไอ้ว่าอะไรจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามชื่อมันเ ย, ยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นการหลักเป็นการจับหลักเรื่องเหล่านี้ว่า ธรรมนั้นจะต้องถึงความรวมลงที่รวมลงในรับหนึ่งก็ใจที่ขารับหนึ่งก็อริมักลงแปะรับหนึ่งก็ไม่ประมาทะก็แกล้วแต่ว่าจะพูดเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นกระบวนการรัชสั่งว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทําเหล่านี้เราแสดงแล้วเพื่อความรู้อันยิ่งก็ว่าไปไร่นนะฮะ นัอนอ่นอาจจะขู่กณญญายานิกกปสมายะอภิญญายาสมบธายะนิบานายะสังวัตติเนี่ยจะจะจะมีข้อความในลักษณะนี้อยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คื อ, อุปสมายะอภิญญายาสมบธายะนิบานายะสังวตติมันจะเยอะก็จะเตือนพิสูจทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมใน ต, ตรงนี้เป็นข้อความแตเนีน่นานมานะนานเท ว, ว่าต่อติดปากกันเลยคือไม่ได้ดูพระอาจารย์รุ่นก่อนในท่านแปลว่าเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด เราเรียนรุดหลังเราก็นึกว่ามันคงแปลอย่างนั้นข้อความนี้อาจจะเอามาจากอัตถกาถาดูตัวบาลีมันไม่มีบาลีนะไม่เกิดสงสัยเกิดเสี ย, ยดายขึ้นมีการคุยกันแล้วก็ไปเช็คดูที่อัตถกถาปรากฏว่าไม่มีแปลอย่างเงี้เยเป็นข้อความที่สมบูรณ์นะฮะอมัญตยามีโวภิกเววยธรรมารสังคาราอะปมาเดนะสัมปาเดธา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันนี้เราก็เตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ช้าตถาคตจากิผพานจากนี้ล่วงไปสามเดืนอนตถาคตจากะผพา น, นนี่เป็นการประกาศให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบก็ ประเด็นที่ ท, ที่ที่น่าจะมองก็คือเรื่องความสมาร์คือความไม่สมาร์ทเราเข้าไม่ถึงเลยนะฮะเรื่องความไม่ระมารนะ์ทสังคมพุทธเดยวพูดแล้วน้อยใจอนะัะน้อยใจว่าเพื่อนต้มได้ทุกงานนะงานอะไรก็ตามมาต้มในะสังคมพุทธได้หมดอันนั้นน่าเจ็บใจจริงๆเรื่องอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีหลัก คำสอนโดยภู้ศัสรู้ม่ศึกษาทำเนียบรียนรู้บางทีก็ถามมาว่าเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างโน้นบอกว่าคุณไปอ้างอย่างงั้นก็เรื่องของคุณนี่ยแต่ว่าเมื่อคุณถามธรรมะในพุทธศาสนามาก็ตอบตามพหลักพระเจดีดุกมาไม่ตอบเรื่องอื่นหรอกตอบตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แต่นั้นเองเราไม่รู้หรอกแต่พระเจ้ารู้ อย่าส่งแสดงไว้อย่างนั้นเราก็ต้องตอบอย่างนั้นแล้วแกก็พยายามที่จะอ้างคนอื่นเนี่นยไอยน้นั่นว่าอย่างนั้นนี่ว่าอย่างงี้นั่นว่าอย่างงน้นอะคือทําทําไมว่าโบราเนี่ยเขาบอกว่า ม, มีตะปูอยู่แล้วนี่ทําไมเธอไปใช้เชือกทําไมไปใช้าวันทําไมเาวันเาวันกับตะปูเนี่ยมันมันให้ความแข็งแรงไหมทัดเทียมกันแั้นก็ใช้สิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืมว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างเนี้ยมันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ดับอยู่ทุกขณะดับแล้วดับเลยดับแล้วดับเลยให้ใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ดับเลยเดี๋ยว่าดับแบบสมมติมรณะคือดับเพื่อจะเกิดเกิดต่อไปอายุสั้นอายุยืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นกระบวนการก็เหตุปัจจัยต่างๆมันมีงประกอบทั้งหลายเยอะ หลักตรเ น, นี้ถือว่าเป็นปัจฉิมพุทธคุณนะครับเป็นบทสรุปรวมคำสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎกสรุปที่คำเดียวคือไม่ประมาททีนี้คนที่ไม่ประมาทจริงๆเนี่ยไม่ประมาทได้สมบูรณ์จริงๆมันคือท่านสติที่สมบูรณ์ครับตัวความไม่ประมาทกับสตินี่เป็นนั้นเดียวกัน นี้สติวิปุโลภแปลว่าสติที่ไพ่บูรณ์หรือสติที่สมบูรณ์มีได้จากพระป่าละหันนั้นเพราะคนถ้ายังไม่ขัดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าประมาทยัยงต้องเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างน้อยก็อีกหนึ่งชาติอย่างพระนาคามีเนี่ยก็ถือว่ายังประมาทอยู่นะก็ยังต้องเวียนไหวแตเ่เกิดในสังสารวัฏอีกหนึ่งชาติ เด้วได้ขนาดนั้นมาก็บุญนั่คโแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วนะฮะขนาดปิด เ, เป็นพระโสดัาบันเพื่อปิดประตูนะรกได้ก็บุญแล้วแต่ว่าทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในการละบาปบาเพ็ญบุญโดยการทำจิตของตัวในฝ่องแท้ขึ้นไปโดยลำดับต้องฟังเท่าไหเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายด้วยตัวกันสวัสดี